บุังศรีนังกระชา ที่เราฟังทมกันฟังกันไปปฏิบัติธรรมกันจนกว่าจะรู้แจ้งทมกันจบถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ต้องฟังกันต่ออีก ถ้าทุกยังดับไม่หมดก็ต้องดับจนจนกว่าทุกดับดูพระพุทธเจ้าทั้งชีวิตก็สแสวงหาความพ้นทุกข์กล่าวคือมรรคผลผนิพพาน แต่ก็สุดแล้วแต่ถ้าจะโยมบางคนยังปราทันาในความเกิดเราก็ต้องมีปัญญาว่าเกิดแบบไหนที่เกิดในสุกติไม่เกิดในทุกขติสำคัญอย่างนี้ อาตมาก็เลือกเกิดแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าโยมก็กำลังเลือกเกิดด้วยตอนนี้คนที่หันหน้าเข้าสู่ศีลทานภาวนาทานศีลสมาธิปัญญานะอาตมาเชื่อว่าทุกคน เริ่มได้คำว่าสติที่จะระลึกรู้ในวัฏสงสารในวัฏทุกข์ในการเวียนเกิดตายทุกคนเริ่มประจักษ์ชัดในคำว่าความเกิดแก่เจ็บตาย แต่เราจะเวียนไปทางไหนดียมเอาซ้ายหรือขวาดีมันไม่เกี่ยวกับว่าเวียนซ้ายหรือเวียนขวาแต่เกี่ยวว่าเราจิตตอนนี้เป็นกุศลหรืออกุศลมากกว่าถ้าจิตจเจริญอยู่ด้วยกุศลธรรมแล้ว ถึงจะเกิดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสุคติจนถึงที่สุดเบื่อความเกิดแล้วไม่อยากจะเกิดแล้วก็คือปรารถนาว่าต้องนิพพานพอพูดถึงนิพพานเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าใครอยากนิพพานก็นิพพานเลยไม่ใช่ขนาดครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมกันเอาเป็นเอาตายกันบางคนทิ้งไปกลางทางก็มีสู้ไปสู้มาแพ้ก็มีรบไปรบมาใจถอยก็มี ก็บอกว่าอย่าเอาความอยากมาปฏิบัติธรรมต้องใช้ความเพียรเป็นการปฏิบัติอย่าใช้ความยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติธรรมต้องใช้จิตอันเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติมาปฏิบัติธรรม ไม่อย่างนั้นไม่ถึงธรรมโอ้ทามาเองก็ถ้าพูดอีสานบวาหลายเติบเก็คือก็ไม่น้อยอะหลายเติบเลยนะก็เอาทุกรูปแบบเหมือนกันเอาทุกรูปแบบ กดดันตัวเองไม่น้อยใช้คำว่ากดดันตัวเองไม่น้อยเพื่ออะไรโยมเพื่อหวังว่าเราจะได้บรรลุธรรมเร็วๆประสบการณ์ตรงนี้ไม่ใช่ตรรมามีองคเดียมแม่ลูกสิทธมาเอง ก็เคยมีเยี่ยงอย่างให้รู้ว่าพอกดดันมากๆนี้วิปริทวิปราปราคลาดเคลื่อนเยอะสุดท้ายไม่ใช่เป็นธรรมะมันเป็นกิเลส ท, ที่อยากบรรลุกิเลส จริงๆมันพอขึ้นกเกเรตมันก็ไม่ใช่อยากบรรลุแล้วแะแต่ว่าเรายังเห็นผิดอยู่ถ้าเราใช้ความอยากเพื่อการสนองให้ธรรมะเกิดไม่ใช่ ธรรมะไม่เคยเกิดอยู่ในกองกิเลสและกิเลสก็ไม่เคยเกิดอยู่ในกองของธรรมเพราะแยกกันโดยธาตุร่วมกันไม่ได้มันมีสภาวะที่ให้ผลต่างกันถึงบอกเอออยากเท่าไหร่มันก็คือกิเลสเท่านั้น โยมดูสูตรพระอา น, นุนใช่ไหมโอ้มีหัวใจที่ประาดทนาหรือใช้คำว่าความอยากที่จะบรรลุให้ได้เพราะเวลานั้นมีจำกัดเลือกเกินจะต้องทำสังขานาเป็นปฐมครั้งแรกเมื่อหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว อีกสามเดือนก็จะมีการทำสังขารนาขึ้นพระนอนก็ต้องรีบเพื่อทำให้ตนนั้นถึงคุณธรรมขั้นสูงสุดคืออารหันแต่ปรากฏว่า ไม่เป็นไปที่ตั้งไว้ก็คือกดดันมากที่สุดก็รู้ว่าตนบรรลุไม่ได้แล้วเหมือนกำลังถอนที่จะพักจะล้มเอียงตัวกายลงประมาณนี้ ในเวลานั้นแหละพอรู้ว่าผ่อนท่า น, นั้นแหละปัญญาบารมีที่สะสมอบรมมาเห็นแจ้งเลยบรรลุตรงนั้นแต่ตอนที่หมกมุ่นอยู่ในไม่บรรลุ หรือกำลังกดดันเพื่อจะให้บรรลุก็ไม่ใช่เพราะขาดคำว่าอิสระอาจมาจึงบอกโหพระอาราหันตทุกทุกพระองค์หรือทุกทุกรูปหัวใจของธรรมก็คืออิสระจากกิเลสทั้งหมด ใจอย่างนี้แหละไม่มีปริพภท์คือความกังวลไม่มีนิมิตหมายแห่งความยึดติดไม่มีอัตตาตัวตนแห่งความยึดมั่นโอ้โหธมบอกสุดยอดเลยสุดยอดเลยใครจะรู้จิตแบบนี้ ยากแต่สุดท้ายก็มีผู้รู้จนได้เพราะหนทางแห่งการปฏิบัติภาวนาเมื่อเราปฏิบัติโดยสัมมาทิฏฐิอันรู้ทุกแห่งความดับเหตุของทุกแห่งความดับแล้วใจไม่มีใครหรอกที่ใจะยินดีกับทุก เมื่อรู้ว่าขนทางนี่แหละที่จะทุกข์ดับได้เขาก็จะเดินไปตามทางจบอกอริยมรรคอริยผลที่จะทำให้บุคคล น, นั้นรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็สว่างในธรรมด้วยนะ มีทั้งรู้มีทั้งเห็นและก็สว่างยอมลองเอาสามคำนี้มากำหนดดูรู้เห็นสว่างมันก็เหมือนกับเป็นผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งปัญญาเห็นหเข้าใจ แจ่มแจ้งปัญญาก็เหมือนคำว่ารู้คำเรียโยมไม่ถามนะรู้พยักหน้าเห็นมันก็คือหมดละหมดสงสัยละเห็นละรู้เห็นสว่างความมืดทั้งหลายเป็นอันสิ้นสุดลง อจิตของผู้บรรลุเป็นผู้ใช้เขามาตื่นเนี่ยไม่ผิดเลยแล้วไม่ใช่ตื่นแต่กลางคืนหรือกลางวันต้องบอกตื่นอยู่ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันตื่นดีแล้วเสมอไม่หลับไหล ไม่จมอยู่และไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดที่ก่อให้ทุกข์นั้นเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นเอเอสวาคาตะตาทิคุณโยขาวาเยัเซนัสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระ ผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วท่านรู้แล้วทำจำแนกให้เป็นมักเป็นผลอย่างไงทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติก็เออในชีวิตคนคนหนึ่งใคร ที่จะทรงไว้ในธรรมใครจะพ้นจากโลกแห่งความชั่วร้ายใครเป็นผู้ประเสริฐและใครเป็นผู้เสื่อมไม่มีใครหลอกโยมเธอมาตัดสินเราได้จนถึงที่สุดบางคนเขามองแค่เปลือกเขาก็รู้แค่เปลือกแต่ไม่ได้รู้ถึงแก่นแท้ ว่าหัวใจของคนคนนี้ยินดีอยู่กับอะไรในที่สุดมีผู้ทูลถามพระเจ้าบอกความยินดีไม่มีอะไรยินดีที่น่ายินดีเท่ากับยินดีในธรรมไม่มีรถอะไรที่ยิ่งกว่ารถแห่งธรรมสุดยอดเลยดันั้นความยินดีของ ญาติโยมเราท่านทั้งหลายตลอดถึงพิสูจ์สัมมันเองความยินดีของพวกเราไม่มีอะไรสุดยอดเท่ากับยินดีในธรรมและก็ไม่มีอะไรที่น่าพึงปรารถนาพอใจเท่ากับพอใจอยู่กับธรรมเพราะธรรมะเนี่ยะ ไม่เคยเพิ่มทุกข์ให้กับใครเลยธรรมะไม่มีคำว่าชิงชังเกลียดชังไม่มีมีแต่ว่าสุดท้ายเกิดแล้วก็ดับเอาดับปักอยู่กับใจทำไมถอนขึ้นมาเสียเอาธ น, นปักอยู่ในใจทำไมแล้วก็นึกอยู่เสมอว่า ธนูนี้เป็นของใครตามหาเจ้าของที่ยิงเราบอกโอ้ยถอนออกก่อนเธอรักษาก่อนเธอใครจะยิงก็ช่างมาเถอะโยมเอาธนูออกก่อนมันปักอยูนะ่คนฉลาดต้องเป็นเช่นนี้แต่คนที่ยั ง, งโง่อยู่โยมเขาบอกว่า เขาต้องรู้ก่อนว่าใครยิงเขาไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รักษาอา้าวแล้วกันเดี๋ยวก็เลือดคลั่งตายหรอกรักษาก่อนเบือนกันคนที่เกิดมาในวัฏสงสารที่มีทุกข์อยู่ในใจนะ ทำไมเราไม่ถอนหรือทำไมเราไม่ดับทุกข์เสเราไปร่ำไรอะไรกันนักกันหนาะในโลกที่กาลังใกล้จะแตกแล้วเนี่ยโยมฟังเสียงตะมาทีโลกใกล้จะแตกแล้วโยมมาพิไรราพันอะไรกันนะ ก, กันหนาะเออพายุกำลังมาหิมะกำลังตกเออ ทะเลกำลังก่อวอร์ดกำลังก่อคลื่นไม่รู้จะเป็นทอนาโดไม่รู้จะเป็นสึนามิอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แผ่นดินจะหวั่นไหวแผ่นดินจะแยกภูเขาไฟจะระเบิดโอ้สตลพัดสงครามจะเกิดเออสนุกจังโลกใบนี้ก็บอกทองฟ้า าฝนจะตกเป็นแสงไฟโอ้โหมีเหรอาฝนตกเป็นแสงไฟยมไปดูเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นสารพัดสารเพนกยักษ์บินพ่นไฟลงโอ้โสบายก่น่นเดี๋ยวนี้นกยักษ์ของเราเป็นอะไรยม นกยักษ์วางไข่ลงมาที่ละตูใหญ่ๆเนี่ยนะหมดกันเป็นไม่รู้กี่กิโลกันโอ้อะไรอะไรมันก็เกิดมนุษย์เมื่อเข้าใจสัจธรรมที่สมเหตุเลวไม่ว่าใครอย่ เขาจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ใช่ยึดติดจริงเหมือนโยมดูสังขารร่างพอคนอายุมากๆไม่มีใครรองยินดีอยู่ในรูปกายนี้ไม่มีหรอกแกนังเหี่ยวหนังย่นหนังยานหมดแล้วโยมยินดีกับมันเไม่มีหรอก เพราะมันเป็นสภาพทุกข์ไม่มีใครยินดีทุกคนที่เราหลงอยู่ยินดีกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่กำหนดให้เกิดเป็นปฏิเวศคือไม่ตลอดสาย ไม่ตลอดสาฉทนั้นพระธรรมเป็นสาระอันกเกเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายธรรมโยสัพ พ, พานินางสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสาระอันกเกเษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกระลึกระลึกเข้าไปลึกๆเออลึกๆหายใจยาวๆทำยังไงเราจะมีใจอันมีที่ยึดเหนี่ยวอันมีที่พึ่ง ในที่สุดรูป ก, กายนี้ธรรมาก็บอกเสมอแล้วว่าเขาไม่เที่ยงมีสมภาพทุกทนอยู่ได้ก็ไม่นานทนอยู่ได้ไม่นานเอาโยมดูแต่ละอย่างเริ่มต้นจากศีรษะตั้งแต่เส้นผมปลายผมเห็นไหมโยมผมพางบางคนก็หม่อมบางแล้วล่ะ ผมร่วงแล้วมันก็เปลี่ยนสีแล้วเป็นสีขาวก็ช่วยกันย้อมกันหน่อยตอนเป็นสีแดงสีดำสีอะไรก็แล้วแต่ย้อมช่วยกันแต่ให้รู้ว่าสัญญาณแห่งอนิจจัง ทุกข์เริ่มปรากฏชัดอยู่ในศีรษะของเราแล้วอยู่ในชีวิตของเราแล้วจะมาเข้าใจตั้งนานแล้วก็เลยต้องหาว่าเราจะทำอย่างไร ที่ทําให้จิตเนี่ยผ่องใสอยู่ตลอดจนถึงคําว่าวินาทีแห่งการสิ้นสุดลมหายใจไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าของเราที่เคยเวียนเกิดตายแล้วก็เป็นเรื่องเก่าสําหรับชีวิตของทุกๆคนที่ต้องตายจนถึงวิ นาทีสุดท้ายของลมหายใจโยมเจ้าจิตดวงนี้พึ่งอะไรพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารตอนนั้นนโยมหัวใจของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกีวิสัยเหมือนพวกเรา ใช่ก็ว่าเหมือนพวกเรามีครอบครัวมีรักมีโรคมีโกรธมีหลงมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกเรามีสนุกคลืนเครงไปแต่พอถึงเวลาหนึง่งเป็นความตื่นจากสติ ที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระชาติมาทุกพพทุกชาติได้เห็นเทวทูตมาปรากฏพระองค์ก็น้อมจิตนั่นแหละพิจารณาว่าบัดนี้เราไม่ควรติดอยู่ กับโลกีวิสัยโดยเฉพาะเรื่องของกรรมบุคุลห้าจิตน้อมแล้วไม่ยินดีในการมคุลไม่ยินดีแล้วน้อมไปไหนโยม ไม่ได้น้อมไปหาบุคคลแต่น้อมไปหาธรรมมันเหมือนคนป่วยอยู่เหมือนคนป่วยน้อมไปหายาเถูะป่าทุก ต้องรักษาเราป่วยรักษาหรือน้อมไปหาหมอก็แล้วแต่สรุปก็คือเพื่อรักษาถ้าเป็นขั้นที่ยังพอเยียวยาเองได้เราก็ประตมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าถึงขั้นก็มาโคลมาเนี่ย ต้องพึ่งหมอแนละเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นไม่ได้ป่วยร่างกายแต่ดวงจิตของพระองค์ยังไม่มีที่พึ่งแท้จริงยังเป็นผู้ต้องแสวงต่อถึงบอกเออคำว่าแสวงนี้ ไม่ตายไม่หยุดไม่ว่าใครก็ตามอัตมาก็ยังสแสวงโยมก็ยังสแสวงอยู่บางคนก็สแสวงหากรรมบงคุณแต่เจ้าชายสิทธัตถะสแสวงหาโลกุตระจิตเห็นไหมใครจะหาตึกก็หาไปวัตถุแต่พระองค์ไม่ได้หาตึก ไม่ได้หาวัตถุแต่หาทำอันเป็นความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายทำหลุดพ้นออกจากความเกิดแก่เจ็บตายแสดงว่าพระองค์ทราบแล้ว นั่นยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ทราบว่าหนทางที่เราถ้ายังอยู่โดยการครองเรือนอย่างนี้เราจะไม่หลุดพน้นเกิดความปริวิตกในดึกสงัดที่กำลังพิจรารณาว่าเรา จะออกบวชพระองค์ไม่ใช่หนุ่มโสดโยมต้องเข้าใจด้วยเป็นผู้มีเรือนเป็นผู้มีครอบครัวผู้มีพ่อผู้มีญาติทั้งหมดผู้ดำรงตำแหน่งอยู่โดยความเป็นเจ้าชายที่สุดก็ตัด ตัดสินได้หมดทุกอย่างในหัดไทยตอนนั้นพระองค์มุ่งออกแสวงหามุขธรรมก็ไม่แปลกกับญาติโยมที่ออกบวชนี่แหละที่มาบําเพ็ญภาวนาแต่เพียงเอ่ของพวกเรานั้นแบบ ยังไม่ถึงศรัท ธ, ธาอันตั้งเพื่อจะบรรลุในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็สแสวงหาความดับทุกข์เช่นเดียวกันใช้คว่าเช่นเดียวกันแต่ต่างกันที่ว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะ คือยอดแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหมดแต่ของเราก็สแสวงหาความพ้นทุกจนถึงกับว่าอรหันต์แตมาบอกเออเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกว่าจะเดินมาถึงพระพุทธเจ้าไม่ง่ายโยบเ อ, อ้ยไม่ง่าย ไม่ง่ายลำบากลำบนอดทนอยู่ในป่าเขาลำเนาพราทําน้อยใหญ่ที่รุ่มที่ดอนที่ทุกๆแห่งพระองค์แสวงหากว่าจะได้ทามา จนถึงครั้งหนึ่งใช้ก็ว่าบําเพ็ญเพียรทุกรกิริยาอดอาหารปางตายทำไมผู้อันจะมีกินผู้อันมีศักดิ์เขตุเช่นไหนจึงสแสวงหา สิ่งที่ไม่ใช่เป็นทรัพย์ภายนอกทำไมแสวงหาอันเป็นโลกุตราทรัพย์อันเป็นอริยทรัพย์จุดนี้ทุกคนต้องมีสติกันแล้วก็กำหนดจริงๆไม่อย่างนั้นพวกเราหวั่นไหว วันไหวสิทำไมไม่วันไหวพอเราลำบากก็คิดถึงเรื่องที่เคยสบายพอทุกข์หน่อยก็นึกถึงความสุขที่เคยมีเคยได้พอหิวหน่อยก็นึกถึงอาหารอันปรานนี่พอร้อนหน่อยก็นึกถึงสิ่งที่ร่มเย็นดึงบอกเออมนุษย์มันมาแพ้กันตรงนี้ เราเคยได้รับความสะดวกความสบายและความสุขในช่วงขณะหนึ่งพอไปเจอความยากลำบากความร้อนความหิวความเด็ดเหนื่อยทั้งหลายทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่สู้ แล้วก็ยินดีอยู่กับสุขที่เคยได้ความสบายที่เคยมีอาหารรสชาติที่เคยดื่มอาบเคี้ยวกิจพูดดชนเลยไปไม่ได้ข้ามฝั่งไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆนะเพราะ เรายังไม่ฝึกขันติบารมีเลยเรายังไม่ได้ฝึกวิริยะบารมีเรายังไม่ฝึกสมาธิให้มัน่นจิตเรายังไม่ตักงังจึงบอกเออพวกเราหวังแค่สนุกตอนต้น แต่ไม่ได้ระลึกถึงตอนปลายพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะยอมสระสุขเบื้องต้นทั้งหมดที่เป็นโลกียะวิสัยเพื่อบั้นปลายแห่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตมาบอกว่าเป็นการลงทุนที่ ใครจะมาเทียบและเสมอที่จะทำได้ต้องยกไว้นะ่ะตามมาจึงบอกเออเรามาศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาตรงไหนธรรมะต้องหาก่อนนะโยมไม่ใช่ไหวมั่วมั่วสูว ส, สไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่กินก๋วยเตี๋ยวไม่มีเส้นเขาก็เรียกเกาเหลาเท่าทนั้นเองไงนะไม่ใช่แต่มาก็ดูว่าจะเป็นที่พึ่งของเราจริงหรือเปล่าอาจะมาพึ่งพูดไปเนะี่ยบอกสิทธิ์ที่ดีที่แท้จริง ต้องรู้จักเลือกครูบาอาจารย์นั่นคือสิทธิ์ที่ดีแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีต้องไม่เลือกสิทธิ์อา้าไม่เด็เลือกว่าคนนี้จนคนนี้รวยยิงรับคนนี้เข้ามาคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยไม่รับคนนี้ขาวคนนี้ดำไม่รับบอกไม่ใช่อย่ามาตัดสินคนเพียงรูปภายนอก แต่สิทธิ์ที่ดีต้องเลือกครูอาจารย์ธรรมาก็เหมือนกันจะเป็นสิทธิ์ที่ดีได้ก็ต้องเลือกครูบาอาจารย์อาารอาารมาก็ดูพระพุทธเจ้าองค์นี้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะผู้ดได้ฟังก่อนก่อนจะบวชนะ ม, มีเรื่องเล่าอีก เป็นภาคคารขัดเออตอนนั้นกำลังสับสนวุ่นวายไม่รู้จะว่ายน้ำไปทางไหนแนละ้วเกาะอยู่ริมฝั่งก่อนก็ดูไปรอบเราจะพึ่งใครเนี่ยเพราะรู้ว่ามนุษย์ ที่ยังมีกิเลสเราพึ่งไม่ได้จริงๆหรือมนุษย์ที่ยังพูดเพียงแค่คำว่าผลประโยชน์เราก็ไม่เห็นว่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าพึ่งมนุษย์ที่มีกิเลสตายเปล่าจิตเราเนี่ย กำลังกาหนดหาใครที่จะเป็นที่พึ่งได้ที่สะอาดบริสุทธิ์และพูดมีแต่คำสัตว์ไม่มีคาว่าคำหลวงตอนนั้นจะมาไม่ได้คิดจะบวชโยมไม่ได้อยู่ในหัวเลยละมองพระบวช ไม่รู้บวชทาไมไม่ต้องบวชก็ทําได้อยู่แล้วดีไมด่ดีคิดว่าจะมากกว่าพระด้วยส น, นับเพราะเราก็ไหวพระสวดมนต์ทุกเชา้าทุกเย็นนั่งสมาธิทุกวันภาวนาทุกวันเหมือนกันเหมือนกันพิจารณาไปพิจารณามาบอมนุษย์ สุดท้ายก็ล้วนมีกิเลสทั้งนั้นพึ่งไม่ได้จริงๆแต่มามันจะไม่มีที่อยู่แล้วนะคิดอย่างนี้แล้วเราจะไปไหนเนี่ยมนุษย์ในเมื่อรู้ว่ามนุษย์ล้วนมีกิเลสทั้งนั้นสุดท้ายเราพึ่งไม่ได้แท้จริง อาตมาก็ถามว่ามีใครไหมที่บริสุทธิ์จริงๆสักคนในโลกใบนี้แต่มาชอบโจทย์ที่มันที่สุดโจทย์ชีวิตทำอะไรชอบหาโจทย์ที่มันที่สุดก็สุดพิจารณาไปพิจารณามานึกถึง คำว่าพุทธหรือพระพุทธเจ้าเออมีคนเขากราบเขาไหว้ศรัทธาเริ่มใส่ในคุณแห่งพระพุทธเจ้ากันบัตบ า, ารามก็มากมายเรือเกิดคนเขาศรัทธาอะไรเนาะก็เข้ามาลึกอีกหน่อย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุก์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้นี้หรือตรัสรู้ธรรมเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นผู้ดับเหตุแห่งทุกข์เป็นผู้กล่าวคำสัตว์ไม่มีมุสาวาท เกิดได้อย่างไรก็ไปดูพระพุทธเจ้าเรามาจากไหนชาติชั้นวรรณะอะไรเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนตรัสรู้ได้อย่างไรลงลึกไปอีกจะรู้พระพุทธเจ้าต้องศึกษาธรรมศึกษาภูมิชาติโอ้โหนี่มันลูกกษัตริย์ กรุงก บ, บิลพั์กับกรุงเทวทังหาแม่อยู่อีกกรุงหนึ่งพ่ออีกกรุงหนึ่งก็มาแต่งงานกันอภิเศกสมรสกันอภิเศกสมรสแล้วก็ได เาชายจิตต ธ, ธะราชกูมันนี่เป็นลูกกษัตริย์นะอยู่มาได้สิบหกปีก็ได้ชายยาคือได้เมียอยู่ไปอยู่มาไปเรื่อยๆครบยสบเก ก็เออพระองค์นี่สุดท้ายก็มีครอบครัวมีลูกชื่อราคุณออกบวชชละสมบัติทุกอย่างานำมาตัดสินเป็นพระพุทธเจ้า แต่มาก็ดูต่อเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทำอะไรไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่เคยมีอีกเลยไม่เคยพึงยึดติดอยู่กับชีวิตที่เคยใช้มาตอนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธรรัตถะตั้งแต่ปฐมจนถึงยี่สิบเก้าและออกมาบำเพ็ญอีก ไม่มีอีกแล้วทุกบอกเออจากยี่สิบเก้าบำเพ็ญอีกหกตัดสรุอี ก, 6, กสี่สิบห้างคิดรวมแล้วแปดสิบ พระพันสาดับขันปรรณิพานถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรความพ้นทุกข์โดนใจเลยตรัสรู้ความพ้นทุกข์ใช้โยเจอแล้วโดนใจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่เหนือกิเลสมารทั้งหมด ใช่เลยบวชบอกว่าบวชก็คือบวชเลยนะไม่ต้องมีใครมาบอกบวชไม่ต้องเลยบวชไปเดินเข้าวัดถุม่มถ่มถ่มถบวท่านอาจะเอาว่าบวชอะไรหรือบวชพระมีอะไรมาบวชไม่มีมีตัวกับหัวใจเหลีเงินข้อมืออันเดียวตอนนั้นที่ใส่มาสมบัติบวช บวชนะบวชแบบมันไฟท่วมตัวเหมือนกันตอนนั้นบวช ด, ดีใจไงยโยมดีใจว่าเราได้พบที่พึ่งแล้วว่านี่แหละพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสตรัสรู้เองด้วยบำเพ็ญภาคเพียรมาไม่ธรรมดา เมื่อตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยยินดีติดอยู่กับกรรมคุณอีกเลยไม่ได้ติดยินดีอยู่กับในคำว่าตระกูลอีกเลยพระองค์เป็นตระกูลแห่งพุทธะไม่ใช่ตระกูลแห่งของกษัตริย์อีกเลย ยิ่งอ่านในสูตรหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตอนออกโคจรบินทำบาตพระเจ้าสุโธธนะเสียใจมากว่าลูกชายออกไปถือบาตรบินมันขอทานไปต่อว่าลูกว่าตระกูลเราไม่เคยมีใครปฏิบัติเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ระลึกบอกตระกูลของอัตมภาพทมเช่นนี้มาตลอด ตั้งแต่ปฐมแห่งพระพุทธเจ้าก็โคจรปโปรดสัตบินทบาทยามเช้าพระเจ้าสุโธธนะได้ฟังในเลื่อมใสมีดวงตาเห็นธรรมพระองค์ไม่ได้อยู่ในตระกูลแห่งสักยะนั้นแต่เป็นตระกูลแห่งพุทธพระองค์ออกจา ก, กเรือนนั้นตั้งแต่ออก บวช แ, แล้วแล้วตรัสรุ้เป็นพระพุทธเจา้าหน่อพุทธังคูลเกิดขึ้นพุทธังคูลเกิดขึ้นไม่ใช่ธรรมดาอย่างเราๆอยู่เพราะถ้าพระองค์กราบใครคนนั้นหัวแตกเป็นเจ็ดเสียงถึงเก้าเสียง รับไม่ไหวพระพุทธเจ้าจึงกราบใครไม่ได้กราบแค่ธรรมเท่านั้นเพราะไม่มีใครยิ่งกว่าเหนือกว่าความหมดจดความบริสุทธิ์ทุกอย่างอย่างพวกเรานี่ยังมีทุรีอยู่ดัะนั้นไม่เหมาะแม้กระนั้นพระพุทธเจ้าก็ะระลึกถึงคำว่ากาดันอยู่ พระคุณของผู้ให้กําเนิดมาคือบิดามารดาจึงมาโปรดอาจะมาบอกบวชบวชกา่วาดบอกบวชกาบวชแต่ว่ารอก่อนนะมีหน้าแกมาบวชองหนึ่ง ก็อาศัยเขาบวชแล้วกันได้เขาให้ได้บวชรถใครไม่เกี่ยวเขาให้ได้ขึ้นไปได้กันใช้ได้ใจมันขนาดนั้นนะโยมไม่ได้คิดว่าบวชเพื่อจะเอาหน้าเอาตาเพื่อจะจัดงานให้พ่อแม่มีหน้ามีตาใหม่บวชเพื่อดับเย็นไม่ใช่บวชเพื่อลงทุนอย่างอื่นอีกแล้วไม่เอาหน้าไม่เอาตานะบวชบวช สุดท้ายก็ได้บวชสมใจนึกวันนั้นบวชสามองค์อยู่อาจจะมาองค์ที่สามสององค์แรกศึกหมดแล้วองค์หนึ่งตายไปแล้วรอดมาองค์นึงบอกเออกุศลศรัทธาที่เราตั้งมันตั้งแต่เริ่มบวชจะถึงบัดนี้ไม่ได้ถอยเลย ถ้าเป็นช่างตีเหล็กในไฟไม่ได้ลดเลยยมใส่ตลอดเลยเติมตลอดเติมตลอดถึงบอกถ้าความเพียรวิทยะบา ร, รมีถ้าเราย่อท้อตั้งแต่เริ่มต้นน่ะจบไม่สวยกลัวลำบากและจะไม่ได้สบายบั้นปลายชีวิตอย่ากลัวเราไม่อดทนเบื้องต้นความสำเร็จบั้นปลายไม่มี สาธุได้เลยคำนี้จึงบอกต้องฝึกฝนตนเองและต้องฝึกหัดดัดนิสัยไม่งั้นกาหนดจิตไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามจะจบอะไรมาเรียนอะไรมาก็ตามถ้าไม่ฝึกหัดดัดนิสัยไม่ฝึกฝนอบรมใจตัวเองไปไม่รอด เอาบางคนก็บอกความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดหรือความรู้ท่วมตัวเอาตัวไม่รอดหรือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเออคำนี้จบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันรู้แบบไหนเนี่ยรู้แบบแต่งโ ม, มรู้ละหนักหัวคือไม่เกิดก่อให้ความสําเร็จได้เลยเพราะไม่ฝึก ไม่อบรมตนไปไม่ได้ไม่ได้ฝึกทำความเพียรก็ต้องฝึกมาใหนั่งหัวทิมหัวทิมแล้วอ้ทิมทำไมทำเป็นนกจิกข้าวอยู่เลิกเดนแล้วอ น, นีสัยนั่งหัวผงกผงกผงก ไม่กินกาก็นกจิกข้าวสองอยางนั่งบางคนจะเลื้อยเอียงมันจะเป็นงูเหลือมพันขึ้นไปหาเทาวันไปนโชว์ภูมิชาติขนาดนั้นเลยโอไม่จำเป็นบางคนนั่งเง้นคอมองอะไรก็ไม่รู้ฟ่าเอนอยู่นี่น ก็ไม่รู้ไม่รู้คอยอะไรพวกนี้ฝึกมันต้องรู้มีสติะระลึกอยู่ว่าเรานั่งแบบไหนรูปกายหยาบหยาบจับต้องได้ดูได้เห็นได้เรายังจัดไม่ได้โอ้โหแย่น่ะเวทนาทางกายกำหนดรู้หมดแต่ใจไม่เจ็บนั่นแหละชนะ ฝึกกายต้องให้รู้กายฝึกจิตต้องให้รู้จิตฝึกชีวิตต้องรู้กายจิตฝึกธรรมะต้องรู้ถึงความหลุดพ้นไม่เงินไปไม่รอดดูไปทีละอย่างวันนี้นั่งเจ็บเออเจ็บเจ็บกายใจไม่เจ็บสำเร็จแล้วขั้นหนึ่ง เ, เมื่อก่อนเจ็บได้ที่ไหนเราเจ็บขุดหงิดเจ็บแล้วร้อนเจ็บแล้ว ม, มันเกิดมันเกิดอารมณ์แต่วันนี้ทําไมเจ็บยังตั้งอยู่กับสมาธิได้ทําไมเจ็บวันนี้ใจยังเบิกบานได้ใจยังปล่อยวางได้บอกเออนั่นแหละคนนี้เริ่มแยกกายจิตเป็น เหมือนบางคนนายโยมตอนนี้เขาด่าสองคำเป็นปัญญาอ่อนโอ้โหคิดค่าตัวตายเก็บมากพอก็บอกฉลาดขึ้นยิ้มใหญ่เลยไม่มีจุดยืนเลยนัเนี่ยพอก็บอกโง่ก็โง่งาตามเขาพอก็บอกฉลาดก็นึกว่าตัวเองฉลาดบอกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยไอ้นิ่มว่าใครไม่ได้ว่าเองหรอกไอ้นิ่ม ว่าใครไม่ได้ว่าเองไอันนี้ว่าใครไม่ได้ว่าเองว่าตัวกูนี่แหละเออแล้วไปเนาะว่ากูอยู่บนสองคนเออว่ามึงกันแล้วไปไอันนี้ใครกันแน่ชักสงสัยว่าใครกูไม่ได้ว่ามึงก็ว่ากูนี่แหละแต่ไม่ต้องเสียงดังด้วยกลัวมึงไม่ได้ยินเออแล้วไปเนากว่ากูไอันนี้ ได้อีกแล้วไม่รู้อย่างมันว่าใครเนี่ยเออแล้วไปเนื้อว่ากูนึกไปนึกมาเพราะมันไม่หยุดมาไอ้นิ่มไอ้นิ่มออลองพูดกลับไปไอ้นิ่มไอ้ไอตัวที่ว่าก็นิ่มก็เลยถามมึงว่าใครกูว่ากูเนี่ยแหละเออแล้วไปเนื้อว่ากู คิดเองแล้วกันเรายิ่งภาวนาเท่าไร่ใจโยมใสไหมเขาบอกว่าใจใสเป็นบุญโยมพิสูจน์จริงหรือยังใจคุณเป็นบาปใจหยาบเป็นมานะลองกำหนดดูมันใช่ไหมแต่มาไม่ค่อยเชื่อมนุษย์มีกิเลสเชื่อพระพุทธเจ้าจริงจริง สิคนพูดแบ่งคนละห้าเนี่ยแต่มาไม่จะเชื่อใครแล้วมาบอกเชื่อธรรมะดีกว่ายืนยันนั่งยันนอนยันมาเลยห้าคนแอนันกันมามันกันตะแคงยันมาเมืองกันพวกใครชนะใครมาบอกก่อนก็ได้แต้มไปก่อนเหมือนไปแจ้งความใครแจ้งก่อนก็เอาละตำรวจก็เชื่อไปก่อนแล้วขึ้งหนึ่งก็มาสู้โดยหลักฐานพยานอีกครึ่งหนึ่งแต่คนถูกคนที่ถูกแจ้งนี้เสียเปรียบแล้วนะ เล้เรียเป็นผู้ต้องหาก่อนแต่ผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึง่งผู้ถูกกล่าวหาเออใช้คำนี้ถูกต้องผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาก่อนเราต้องดูให้ดีก่อนพิจารณาใจใสหัหยพิสูจน์ ให้ใสเป็นบุญรึเปล่ตาตมากําหนดพิสูจน์เป็นปีแล้วนะเป็นปีเขาดูกระจกว่าสวยไม่สวยตามาดูกระจกเอ้ยหน้าใสหรือผ่องหรือว่าบวงม่น ห, หมองเอาดูคนละแบบนะว่พอตามาดูกระจกเอ้ตาใสหรือตาคุนไม่ใช่ตาสวยหรือตาไม่สวยไม่ใช่ หน้าบึ้งหรือหน้ายิ้มเออมองคนละแบบนะกระจกสองธรรมนะไม่ใช่สองกายอย่างเดียวมันสะท้อนออกมาจากข้างในมันขับนะเอายมลองโกรธ ด, ดูดิโอ้โอตานี้มันเป็นหน้าต่างนะใบหน้ามันก็เป็นตัวบอกถึงอาการนะอา้านี่เดินหน้ายิ้มอะไรสบายใจมาสิ เป็นไงงวดนี้เจ็บไหมที่เจ็บที่ทันไม่ได้กลับเทำไมไม่กลับลราฉันลืมมาแล้วแต่ฉันนึกแล้วนึกอยู่เรื่อยออกมาแล้วนึกทุกทียังไม่ออกนึกไม่ถึงทีฉะนั้นสีหน้ามันจะบอกนะ อารมณ์ดีอารมณ์สาบายจิตดีจิตเน่าจิตเหม็นเวลาพูดออกมา น, นี่มันโอ้โหบางคนมันมันจะเผาคนนะแต่เวลาเกิดอิจฉาริษยาเกิดการยั่วยุเกิดการใส่ไฟเกิดการฮึ่เห็บโอ้โห อ, อ, อาการเหล่านั้นสตรีตั้งให้ดีใจตอนนั้นโยมรู้ไม่ว่าเป็นมาร รู้ไหมว่าเป็นยักษรู้ไหมว่ามันเป็นนรกทำไมไม่กำหนดเมื่อกำหนดแล้วทำไมให้สิ่งนี้มันทำลายจิตที่ผ่องใสเวลากระทบเนี่ยมันเกิดนะปุ๊บๆๆเกิดก่อนปุ๊บแต่เราสามารถปรับแป๊แบ ไอ้เรื่องการกระทบห้ามไม่ได้นะโอ้โยมกระจกถูกเสียงกระทบยังบื่บื่อเสียงเบต ด, ดังนะจิตของเราก็เหมือนกันพอกระทบป๊บต้องเร็วนะต้องเร็วรู้ว่าเออีนมันร้อนต้องปรับปุ๊บปุ๊บางทีหน้าชาก่อนเราเจอปุ๊บปรับปรับปรับสองนาทีต้องปรับให้ได้จูนกลับไปหาช่องเก่าความถี่มันเคลื่อนแลยโยม เอาเวลากระทบทางหูทางตาเนี่ยโอยมันเป็นนะแต่เราต้องปรั บ, ร บ, ร บ, รบจนจิตอยู่เหนือสิ่งนั้นเขาเรียกจิตอยู่เหนือการปรุงแต่แต่คำนี้จะได้แต่มาบอกอารหันแล้วนะจิตอยู่เหนือการปรุงแต่ อย่างปุชนเรานี้ปรุงแต่งก็มีสองอย่างปรุงแต่งแบบอกุศลหรือปรุงแต่งด้วยกุศลอาตมาก็ปรุงแต่งเรื่องกุศลกันนะเยอะๆคิดแต่เรื่องดีวะอย่างวันนั้นอาตมาไปงานโยมเขาก็ไปเปิดร้านถวายครูบาอาจารย์นะผัดกันผัดผัดโยโ ย, ย, ยมือมาจากไหน น้ำอยู่แถวไหนมรกระมังคุัตามมาก็ยังไม่ได้ดูอยู่ๆเห็ดศาสตร์น้ำปรุบลงมาตามพื้นเปลี่ยกเท้าก็หมดไอ้คนผัดกุนเดียวอยู่ก็ชักเครื่องน่าไปมาเทตรงนี้ครับอกไอ้นุกันงงงงตัมาพอดีมองเห็นโอ้คนจิตกำลังยิ้มปลืกํกำลังผ่องไสกำลังสร้างกุศลกำลังทำทานกำลังให้ทานอยู่อิ่มเอิบ อ, อยู่ เจอน้ำแ ค, แค่บอกน้ำเย็นนี่น้ำมันร้อนนะ่ะลาดมาดแถวท้าหกที่เขายืนอยู่ทั้งน้ำก็ตะมาก็นั่งมองเฮ้ยคนนี้มันทำอย่างนี้ตะมาก็มองเออเดี๋ยวมีอุบายก็บอกเปไม้กวาดมากวาดกวาดสักครู่พอไอคนนั้นไปตะมาเดินไปบอกโยมโยมเมื่อกี้คนนี้สติไม่ดี ผมถึงว่าเนี่ยยิ้มออกเลยนะนี่หนาวนะมาลาดใส่ขาแถวพวกผมยืนอยู่ทำอาหารทำไมก็ทำอย่างนี้สติเขาไม่ค่อยดีจริงๆิสติดีแต่บอกก็ว่าสติไม่ค่อยดีโอ้โหคนนี้เกิดสงสารไอ้คนนั้นนะเรื่องจบแค่นี้ยมถือคนสติไม่ดีไหมถ้าถือยมบ้านะเนี่ยหนักแล้ว แต่มาบอกโยมเขาสติไม่ค่อยดีอย่าถือโอ้ผมไม่ถือหรอกครับอ๋อเป็นบ้านเลอประมาณนั้นโยมมุสาก็ไม่ผิดนะเพราะทำให้คนมันมันหายทำให้คนนี้เขาไม่ตกนรกไฟดับเบื้บเลยแต่ไฟในกระทะเท่านั้นเองสบายนี่มันเป็นกุสโลบายบอกพอรู้ว่าเขาประสาทไม่ดีเท่านั้นแหละ ที่นี่ก็ทํานะนคนชอบกวาดอยู่แถวนี้แต่มาบอกสติไม่ดีเวลาตอนเทศชอบกวาดขยะเนี่ยสติไม่ค่อยดีอย่าไปถือเขาไปบอกเขาหน่อยถ้าสติดีก็คงไม่กวาดตอนเนี้ยคนกําลังปฏิบัติใช่ไหมดันมาขยันกวาดแทรกแทรกขึ้นมาโอ้ยเวลามีเยอะแยะกวาดทําไม ให้ภาวนาเสร็จก่อนให้กวาดทั้งวันเลยนะเห็นไหมพอยมก็ฟังบอกมิหนา้าถึงไม่รู้เวล่เวลาเโ ย, ยมจะถือก่นบ้าไหมโใครถือก็ถือเรามาไม่เอาไปดีกว่าบางครั้งมันต้องมีปัญญาไม่ได้โกหกแต่พูดบอกมีกฎสโลมบายว่าเออให้ ฝ่ายนี้เขาก็เออรู้สึกดีขึ้นดันไปลาดน้ำใส่ขาที่เขายืนผัดกว๋วยเตี๋ยวอยู่ทำได้ยังไงแต่มาก็งงว่าลืมพอมองเอา้าทำไมไาปลาดน้ำได้ยินเสียงดังก่อนเลยหันไปมองโอ้ยโยมนี่มันก็เลือเกินไม่ได้มองซ้ายมองขวาเลยเองลาดน้ำกนยืนผัดกว๋วยเตี๋ยวอยู่ เขาใส่รองเท้าพับใบก็เปียกหมดสิโ ย, ยจะช่วยเขายังไงเนาะยืนนึกนั่งอยู่พักพอไอ้นูเดินออกต่อมาก็เดินเข้าเลยบอกโยมเขาสติไม่ค่อยดีจริงๆก็ไม่รู้จักเขาหรอกจบนี่น่าผมว่าธรร ม, ามา่านนลทำผมเปียกหมดแต่ผมไม่ถือหรอกท่าน ดีแล้วโยมโมทนาบุญนะก๋วยเตี๋ยวโยมนี่อร่อยจริงๆไม่ได้กินทักคำเลยนะเดี๋ยวนี้โมดอีกจานอิ่มแล้วโยมอิ่มแล้วพูดดีก็เป็นลาบนะพูดไม่ดีลาบไม่มีไม่ว่าแถมจะได้ลาบเลือดด้วยโยมถึงบอกยิ่งภาวนาเรามีสติปัญญา เรารู้วิธีแก้ไขรู้วิธีปรับปรุงเริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อนยมดูตัวเองก่อนกนรารภาวนาะปฏิบัติดูกายเป็นยังไงก่อนกระทึ ก, กคึกโครมไหมคึกขนองมากไปไหมดูพูดเยอะไปไหมพูดน้อยไปไหมพูดน้อยเวลาเขาถามคือตอบมันไม่จบคำอะ สื่อมันไม่ชัดแล้วเวลาคนจะไปทำมันเสียหายนะหรือพูดเยอะไปจนเขาวนหมดฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคําว่าเข้าใจไหมฮะเข้าใจเข้าใจแบบไม่รู้เรื่องหรือบางคนพูดเยอะไม่รู้สาระเลยก็พูดพอแล้วหยุดสติต้องรละลึกก่อนด้วยกายด้วยวาจา ต้องเอามาปฏิบัติภาวนาก่อแล้วก็ด้วยใจไอ้ น, นี่อะไรโยมคนไม่รู้เลยภาวนากายก็ไม่รู้วาจาก็ไม่รู้ใจก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยปล่อยมันปล่อยกิเลสเผาใจเหมือนไฟเรียนอนอ่อนเพียยังไม่รู้สํานึกตนสาธุยังไม่รู้ ส, ส, รสึกอีกโอ้กิเลสเผาใจเหมือนไฟเรียนอนอ่อนเพียยังไม่รู้สานึกตนแย่นะ ทำไมโยมพาวนาใจร้อนเห็นว่าโยมยังไม่รู้เรื่องจิตเลยโอ้จิตเรามันร้อนมันร้อนเพราะอากุศลเพราะร้อนเพราะเราปรุงแต่งจิตทำไมเราจรึงไม่หาอุบายปรุงจิตให้เกิดกุศลขึ้นหาวิธีสิแยแยไปถคนมีปัญญายอยัยจะเรียกว่าภาวนาให้เกิดปัญญานะถูกไหม บางคนภาวนาไปพอนามาเครียดเอา้าใครสอนเนี่ยภาวนาไปภาวนามานั่งเฉยชาลุกก็ไม่ค่อยจะขึ้นจะแล้วเดินก็ไม่ก็จะไหวจะแล้ว บ, บอกโอ้โหนี่เป็นหนักแล้วเนะแล้วไม่ใช่ไม่เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นอกโอ โ, โยมธรรมมาบอกโยม มันติดความสงบไปใจสงบรู้ว่าสงบแต่อย่าเอาอาการความสงบมาเป็นลีลาการลุกเดินยืนอาตมาเนี่ยเป็นแล้วแต่อย่าบอกใครอายเขาเดินสลโลโมชั่นอย่าบอกใครเก็บเป็นความลับยามดึกสงัดตีหนึ่งย่างตีสองโอ้โห ถ้าภาวนาว่าควายย่างนอน ก, กว่าจะนอนได้ตายมันสโลจริงๆมาใ น, นพูดเล่นๆจิตมนันเนิบเนิบจนบอกโอ้โหพลุกขึ้นเอาว่าพอล้มตัวนอนนอนดูพัดลมเพนดานตาลอยเฉย มันถึงขั้นเกลือให้น้ําเกลือแล้วนะเฉื่อยชาขนาดว่ามันตามอกินก็ไม่อยากจะกินแล้วสุกนอสุกหนอนั่นเขาเรียกติดอากาศยึดอารมณ์ไม่เป็นวิปัสสนาเป็นเพียงแค่อารมณ์จิตแต่เราไปยึดติดแล้วดันออามาถ่ายทอดออกมาทางกาย ไม่ได้ยานะยาสติต้องควบคุมทุกอย่างอาการต้องไม่ออกมาดีใจก็ไม่ให้ออกมาเสียใจก็ไม่ออกมาถ้าออกมาเขาเรียกมันน้ำล้นถ้วยชาล้นแก้วน้ำล้นถ้วยเนี่ยไม่ได้แสดงว่ามันรับไม่ได้แล้วมันล้นเกินลิมิตแล้วล้นล้ น, ลนบาวมาไม่ได้ ไอ้ที่ล้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลยเอโยมลองรินน้ำมันล้นแก้วแล้วมันจะรินไปไหนเนี่ยมันรินใส่ขาสิประโยชน์ไม่เกิดแล้วจะบอกว่าชาดีน้ำดีโอพอหยุดมันล้นถ้วยแล้วฉะนั้นเตือนผู้พนานาด้วยอย่าเป็นถ้วยน้ำล้นถ้วยหรือชาล้นแก้วไม่ได้ แต่มาเคยล้นมาแล้วมีหลายอารมณ์โหบางทีก็โปร่งผ่องไสโลดโผนแบบเบาเหมือนจะบินเลยกระทบแสงวันนี้ใสเลยนะกายเนี่ยเหมือนแก้วนะพอถูกแสงเช้าๆสะท้อนโอ้โหอะไรมันใสขนาดนี้ใจมันบานใสเดินนี่เบาวิว นั่นคืออาการของจิตที่ได้รับธรรมยมนึกฝนตกใหม่ปลาได้น้ำใหม่ดิดดิ้นแบบเดียวกันเลยแบบเดียวเลยจ ร, เเระเข้พอได้กลิ่นไอ้น้ำฝนหรือน้ำคลองใกล้ๆมันจะร้อมันจะต่อตัวมันจะหาทางออกทุกอย่างเรียกสติสัมปชัญญะต้องควบคุมไว้และปัญญา ทุกอย่างไม่ให้เกิดอาการให้เกิดแค่ธรรมะยากนะตรงนี้ยากเหมือนกินกินอาหารบอกไม่ให้ติดรสแต่โอ้โหเค็มก็มีหวานก็มีเปรี้ยวก็มีเผ็ดก็มีถูกไหมพอเผ็ดมากก็โอ้บอกให้พอได้แล้วบอกไม่อร่อยไอตอนที่กําลังสู้ น, นี่ไม่หยุดนะกินต่อน้ําตาลแตกโอ้บอกพอแล้วไอดิด ต, ต่อมามีลูกศิษย์คน วันนั้นก็กินตาบะขุม่มกินไปกินมามันนั่งอยู่มุมเฮ้ยเป็นไดดิตเฮ้ยแศบหลายครับมันร้องแล้วบอกแสบหลายครับเอ้ยอร่อยมากครับเฮ้ยเศร้าที่บอกพอบม่ได้ครับแสบมันเผ็ดขนาดนั้นมันยังกินน้ำตาแตกแลำบกหยุดไม่ได้บอกเอองั้นมร้องต่อแล้วกันมาบอกแสบหลาย มันกินตำปะคุงไอเรานั่งเกื น, น้ำลายนะที่บอกให้มันหยุดซีดเนี่ยเพราะเรากืนน้ำลายด้วยมันเลยเพ็แล้วไงถ้ามันเลยเผ็ดอดิตไปใหม่อีกถ้วยหนึ่งตำเร็วๆเลยกินไปกินมามันไปมันไปเผ็ดเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหซซ้ายเลยถามบอกร้องทำไมเอดิตโอ้ยเผ็ดร้ายกับเศ้าที่โอ้ยเศราบ่ได้กับเป็นไรมันแสบครับ คือหยุดไม่ได้แล้วครับมันอร่อยครับแต่เผ็ดกับเผ็ดครับเห็น ไ, ไหมมันมีรสที่มันแบบโลดโผนออกมามากมันต้องมีสติควบคุมนโยมปฏิบัติธรรมบอกครั้งหนึ่งคือมีมวิปปาริตวิปาราตคราดเคลือ่อนระวังคำนี้นะการภาวนาแต่ไม่ใช่บ้านนะที่พูดแต่อาการบางทีมันคร้เหมือนน้ำที่บอกน้ารดถ้วย อาตมาเป็นมาแล้วแบบรวดผลนี่เป็นแล้วแบบสโลโมชันเป็นมาแล้วปฏิบัติไม่กินอาหารเม้นไปหมดเลยนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่มันมีสภาวะจิตตรงนั้นถึงบอกโอ้โหพอราติดอารมณ์เขาเรียกได้อารมณ์ติดอาการแล้วมันอันตรายนะที่ว่าที่เขาเรียกเป็น อุบาเกเลสสิบระหว่วางไว้พวกนี้บางทีมีแสงสว่างมากอย่าไปหลงสุดท้ายธรรมนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเย็นดับหยุดความเร่าร้อนแห่งความเกิดในภูมิพบชาติ มันจะมีธรรมของมันเองเพราะยมปฏิบัติและยมจะรู้นะโอ้สบายบางทีนะบอกตรงๆ อ, อ, อยากตายอยากตายมากกว่าหายใจตัวนี้ก็เกิดมาแล้วเคยคิดจะไปทิ้งสังขารนั้นเนี่ยที่พูดมาเนยแต่ไม่ค่อยบอกใครใรู้มันเคยเกิดครั้งหนึ่งตอนนั้นอยู่ที่อำเภอการพืชผล จังหวัดอุบลอยากจะไปทิ้งสังขารตอนที่บอกตอนนั้นที่ว่าตามองพัดลมลอยนะมีชิดอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์ชีวิตสุขก็ไม่มีอะไรมากกว่า น, นี้แล้วจิตข้างในที่เป็นสุขมีหน้าในครั้งบุทกาลเคยมีสูตรหนึ่งวนะ่าพิสุขฆ่าตัวตายกันสมภาะธรรมเป็นแบบนี้เองบวกกับวิบากอีกส่วนหนึ่งนะมันจะนำจิตไปงั้น เอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถอน